ต้นไม้ผู้ให้นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขต่อธรรมชาติในป่าแห่งหนึ่งที่นอกชานเมืองมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ทั้งเขียวทั้งสูงมันมีกิ่งก้านยาวหนาใบไม้สีเขียวสว่างที่นับไม่ได้ของมันลูตามลมอย่างสง่างามนกจะบินมาจากแดนไกลเพื่อที่จะมานั่งบนกิ่งของมันและร้องเพลง มันเป็นต้นไม้ที่ทั้งสวยและมีความสุขต้นไม้นั้นมีสายสัมพันธ์พิเศษมากๆ ก, กับเด็กชายคนหนึ่งจากเมืองใกลๆเด็กคนนั้นจะมาทุกวันเพื่อจะเล่นกับต้นไม้หลังจากเรียนเสร็จเขาจะกินแอปเปลิลจากต้นไม้แล้วก็เล่นซส้นหากับต้นไม้พวกเขาจะคุยกันเป็นชั่วโมงเด็กชายจะคุยทุกอย่างกับต้นไม้ความคิดของเขาแผนถึงอนาคตความคิด และเรื่องทุกวันที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนต้นไม้จะฟังเด็กชายอย่างตั้งใจแล้วก็หัวเราะกับเขาพวกเขาเข้าใจฝันของกันและกันและสายสัมพันธ์พวกเขาก็แกร่งขึ้นเขาจะเก็บใบไม้มาทำเป็นมงกุฎและทำตัวเป็นราชาเขาจะเปลี่ยนต้นไม้ไกวไปตามกิ่งฮ่าฮ่าฮ่าาฮะาฮ่านมากเายใสฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮ ใช่เลยนายโชคดีมากนายมีวิวที่ดีมากน้าําใสๆพระอาทิตย์ตกลมเย็นไม่แปลกใจว่าทําไมนายมีความสุขฉันอยู่ที่นี่ได้ตลอดกาลเลยน้ำพระอาทิตย์กับสายลมจะอยู่ที่นี่ตลอดไปฉันดีใจที่ได้แบ่งปันมันกับนายฮะฮะฮะนายนี่ดีที่สุดเลยนะต้นไม้ฉันรักนายฉันก็รักนายเหมือนกัน เขาจะคุยกับต้นไม้เป็นชั่วโมงหลังจากที่ทั้งเล่นและคุยกันเขาก็เหนื่อยและนอนในรม่มเมื่อเวลาผ่านไปเด็กคนนั้นโตขึ้นมากและมีเพื่อนใหม่เขาเริ่มมีว่างและใช้เวลากับต้นไม้น้อยลงต้นไม้รักเวลาเล็กๆได้น้อยที่เขาเคยมีกับเด็กชายมากนายไม่เกลียดหรอตอนพระอาทิตย์ตกหรือใบไม้ของนายร่วงตอนหน้าหนาวใช่ฉันเศร้า แต่ฉันรู้ว่ายัางไงพระอาทิตย์ก็จะขึ้นอีกและใบไม้จะพลิอีกในได้ดูใบไม้ผลิฉันชอบการรอพวกมันนายพูดทูกแต่พระอาทิตย์ตกก็สวยงามมากนะนายเป็นต้นไม้ที่โชคดีนายได้ดูบิวสวยๆฉันอยู่ที่นี่ได้ตลอดการเลยนะฉันไม่รู้สินะเรื่องโชคแต่พระอาทิตย์อยู่ที่นี่เสมอฉันชอบมันกับนายมากที่สุด นายอยู่ที่นี่ได้ตลอดการฉันรู้ว่านายต้องชอบมันมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนายไม่มีหน้าที่ฉันต้องทำงานสร้างชื่อฉันต้องสร้างอนาคตฉันอยากจะมีความสุขตอนนี้นายไม่มีความสุขหรืมีสิแต่ฉันต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแล้วชั้ชาเด็กชายเลิกไปหาต้นไม้ต้นไม้ตัวคนเดียวเป็นส่วนมากรอที่จะเจอเด็กชาย แล้ววันหนึ่งเด็กชายก็มาหาเขาต้นไม้ดีใจมากที่ได้เจอเขาหัวใจของเขาเต้นทุกจังหวะที่เด็กชายเดินมาหาเขาเขาเรียกเด็กชายทันทีมาเลยมาปีนต้นของฉันมากวาดที่กิ่งของฉันมากินแอปเปิลของฉันสิจะได้มีความสุขฉันโตเกินไปที่จะปีนแล้วก็กวาดบนจีงไม้ของนายแล้วละ่ะ เห็นพระอาทิตย์ตกไหมนายชอบมองมันเสมอนี่ฉันไม่ว่างแล้วอ่ะฉันอยากจะซื้อสิ่งต่างๆฉันอยากจะเห็นโลกนี้ทําไมนายไม่มีความสุขฉันต้องการเงินที่โลกภายนอกเนี่ยเราต้องใช้เงินเพื่อมีความสุขต้นไม้ไม่อยากเห็นเขาเศร้าเอาแอปเปิลทั้นไปสิเอาไปขายที่ตลาดแต่จะได้มีเงินไงล่ะขอโทษที ฉันไม่มีเงินให้นายมากฉันมีแค่ใบไม้กับแอปเปิลเท่านั้นจริงเหรอท่านท่าอย่างนั้นได้เหรอถ้ามันทำให้นายมีความสุขนะใช่ขอบคุณมากเลยนายเจ๋งที่สุดเลยแล้วเด็กชายก็เปลี่นขึ้นต้นไม้เก็บแอปเปิลทั้งหมดแล้วเอากลับไปขายที่ตลาดต้นไม้มีความสุขที่ได้ช่วยเขาแต่เด็กชายก็หายไปนาน และต้นไม้เศร้ามากเวลาผ่านไปเป็นปีปีนกมามาร้องเพลงแล้วจากไปต้นไม้ก็รอสูงตระ n g g a n ที่ริมผารอให้เด็กชายกลับมาในวันนี้แล้ววันนี้เขาก็กลับมาต้นไม้ดีใจมากด้วยความสุขมาเลยมาเป็นต้นของฉันสิมาไกว้ที่เก่งของฉันจะได้มีความสุข ฉันไม่มีเวลาหรอกฉันยุ่งมากเลยฉันแต่งงานแล้วด้วยแล้วตอนนี้ฉันมีลูกแล้วก็มีเมียแล้วนายโตขึ้นแล้วจริงๆแต่ว่าทำไมนายไม่มีความสุขล่ะนัดต่อการแบบนี้นี่ฉันก็ต้องห่วงซิถ้าฉันได้สร้างบ้านให้ครอบครัวฉันก็มีความสุขฉันอยากให้พวกเขาอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยฉันไม่มีบ้านให้นายบ้านนี้เป็นบ้านของฉัน แต่ฉันมีกิ่งไม้นะนายก็ตัดกิ่งฉันไปทำบ้านสินายจะได้มีบ้านแล้วก็มีความสุขอ๋ขอกับคุณมมกต้นไม้เขาปีนขึ้นไปแล้วตัดกิ่งทั้งหมดเอากลับบ้านไปต้นไม้มีความสุขที่ได้ช่วยเขาแต่ชายคนนั้นก็หายไปหลายปีต้นไม้ก็เศร้าหลายปีผ่านไปเด็กชายก็ไม่ได้มาหาต้นไม้เลย ต้นไม้คุยกับนกไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้นกแค่มาบินวนแล้วจากไปไม่มีกิ่งไม้ให้นกนั่งร้องเพลงแต่บนบกต้นไม้ก็ถามหาชายคนนั้นจากเหล่านกเสมอแต่ไม่มีใครเคยเห็นเขาต้นไม้เงาขึ้นมากเขายืนอยู่สูงตระ n g g ที่ริมผาพยายามตามหาชายคนนั้นมันได้แต่ดูเมืองเปลี่ยนไป ต้นไม้เห็นตึกสูงตรงานเห็นถนนถูกสร้างกับอาคาร <S <S 1> <S 1> เขาเห็นต้นไม้ถูกตัดถูกถอนอาคารถูกสร้างบนพื้นที่สีเขียวคนมามากขึ้นมาตัดป่าทำบ้านเป็นของตัวเองป่าก็เสียความเขียวเจ้าอุ่มไปต้นไม้เศร้ามากที่ต้องเห็นบ้านของตัวเองโดนทำลายแต่มันจะทำอะไรได้มันเป็นแค่ต้นไม้ไม่มีกิ่ง มันเลยทำอะไรไม่ได้ต้นไม้เหงามากแต่มันก็ยังรอชายคนนั้นให้กลับมาและวันหนึง่งชายคนนั้นก็กลับมาเยี่ยมเขาตอนนี้เขาโตและมีอายุแล้วต้นไม้มีความสุขมากที่ได้เจอหน้าเขาแทบจะพูดไม่ออกเลยแต่ชายคนนั้นดูเศร้ามากเขานั่งลงกับต้นไม้นอนพิงต้นไม้และร้องไห้มันทำให้ต้นไม้ใจสลายที่ต้องเห็นเขาร้องไห้ ต้นไม้ไม่มีกิ่งที่จะปลอบใจเขาไม่มีแอปเปิลให้เขามีความสุขขึ้นมาทำได้แค่นั่องอิงต้นไม้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเศร้านักละ่ะเมียฉันทิ้งฉันนะสิลูกฉันก็ไปรักฉันแล้วฉันไม่อ ย, อยากอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรักฉันที่ฉันต้องการตอนนี้คือไปจากที่นี่ให้ไกลทาไมาจะอยู่ที่นี่แล้วนายวิงไล่ความสุขมาตลอด นายต้องดยู่เฉยให้ความสุขมาหาเราสิที่นี่ไม่มีความสุขถ้าฉันสามารถสร้างเรือแล้วก็ล่องเรือออกไปในน้าําใสๆนอนบนเรือตากแดดอุ่นๆแล้วก็นายจะมีความสุขไหมละ่ะมีสิฉันจะมีความสุขแล้วก็สันติมากเอาสิตัดต้นของฉันแล้วก็สร้างเรือเลยนายจะได้ล่องออกไปจริงเหรอ โอ้ oh, ฉันมีความสุขมากเลยขอบคุณไม้มากชายเอาอุปกรณ์มาตัดต้นไม้สร้างเรือของเขาเขามีความสุขดูล่งใจมากต้นไม้ดีใจที่ได้ช่วยเขามันดูเขาสร้างเรือและดูเขาล่องเรือออกไปตอนนั้นมีแสงอาทิตย์ลมเย็นและน้ําใสชายคนนั้นก็ล่องเรือออกไปต้นไม้ไม่ได้รู้สึกโชคดีอีกแล้ว เขาเศร้าที่ชายคนนั้นเลอะจากไปเหมือนกับพระอาทิตย์ที่เขาเคยพูดถึงตอนนี้ต้นไม้กลายเป็นแค่ตอไม้เล็กๆที่ริมผาหลายปีผ่านไปต้นไม้เหงาขึ้นเรื่อยๆเขาเห็นอาคารที่อยู่ออกไปไกลไม่ได้อีกแล้วเพราะเขาโดนตัดต้นไม้เขาสูงไม่ได้ดูบ้านดูผู้คนไม่ได้เขาเป็นแค่ตอไม้ที่พื้นดินเขาคิดถึงนก เขาคิดถึงการมองทองหญ้าห่างไกลเขาคิดถึงความสบายของบ้านเขายิ่งไปกว่านั้นเขาคิดถึงเด็กชายเด็กชายกลับมาหาต้นไม้เมืองก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตอนนี้มีอาคารต่างๆที่มนุษย์สร้างทับธรรมชาติป่าโดนตัดและทุ่งหญ้าสีเขียวก็หายไปชายคนนั้นกลายเป็นคนแก่แล้วเขาแทบหายใจไม่ไหว เขาเดินหลังค่อมเดินด้วยไม้เดิน <c oughs> เขาสงสัยว่าเขาจะได้เจอต้อนไม้อิวหรือเปล่าเมืองนี้กําลังจะทําลายป่าหวังว่าเราจะได้เจอเพื่อนเก่าและเขาก็เจอเขาอยู่ที่เดิมท่อนไม้ที่รออยู่นายมาแล้วท่านรอนายนานมาอ๋อใช่แล้ว มที่ได้เจอกันฉันหลงไปเมืองอื่นไปอยู่ที่นั่นไม่กี่ปี <c oughs> <c oughs> นายหายใจหนักมากใช่มลพิษทําไมฉันหายใจยากนะขอโทษทีนะแต่ฉันไม่มีอะไรให้นายแล้วแอปเปิลของฉันก็หมดแล้วฟันฉันไม่แข็งแรงพอจะกินแอปเปิลแล้ว ไม้ของฉันก็ไม่มีนายกไยมันไม่ได้แล้วฉันเองก็แก่เกินไปที่จะทำแบบนั้นต้นของฉันก็จากไปนายมาปีนต้นฉันไม่ได้แล้วโ อ, โ, อโอ้ฉันแก่เกินที่จะปีนแล้วฉันปวดหลังด้วยต้นไม้ถอนหายใจอ๋อขอโทษนะฉันอยากมีอะไรให้นายแต่ฉันไม่เหลืออะไรแล้ว ฉันเป็นแค่ตอมใม้ธรรมดาป่านกำลังจะหายไปอาคารก็ไม่ได้สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้เราแต่ต้นไม้ทำได้อาคารต่างๆให้ความสบายไม่ได้หรอกมนุษย์ในโลกมากจริงๆเมืองนี่สร้างมลพิษแล้วคนเราเนี่ยก็ไม่เข้าใจความสำคัญของธรรมชาติเลยต้นไม้ไม่ตอบเพราะมันพูดไม่ออก เออฉันแก่แล้วฉันเหนื่อยมาตลอดเวลาที่ฉันต้องการก็แค่อากาศบริสุทธิ์และที่เงียบเงียบให้นั่งต้นไม้พยายามยืดตัวเท่าที่จะทำได้ก็นั่นละ่ะตอไม้เล็กๆนี่ก็ดีสำหรับการนั่งนะมาสิมานั่งมาพักผ่อนนะ เขานั่งบนต้นไม้แล้วหายใจลึกๆเขามองพระอาทิตย์ตกบนน้านน้ำใสเขารู้สึกถึงลมเบาๆนายนโชคดีที่สุดเลยนายมีวิวที่สวยที่สุดพระอาทิตย์ลงเย็นๆกับน้ำใสๆหลังจากนั้นพวกเขาพูดถึงชีวิตว่าโลกภายนอกเปลี่ยนไปแค่ไหนชายคนนั้นเล่าเรื่องให้ต้นไม้ฟังและต้นไม้ก็มีความสุข ข้อคิดของเรื่องนี้ความสัมพันธ์ของธรรมชาติกับมนุษย์นั้นไม่สิ้นสุดเราต้องคารพและอนุรักษ์ธรรมชาติจำเอาไว้ว่าต้นไม้ต้องการมนุษย์เหมือนที่มนุษย์ต้องการต้นไม้รักป่ารักธรรมชาติ